การหันต ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจาให้เป็นศีลรมสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะคำสั่งสอน ของพระสมมาสมพุทธเจ้าสวากาโตภกวัฏาธรรมโมอันพระภูมีพระภาคเจ้าตรัส ด, ดีแล้วสันนิธิโกอันภูปฏิบัติภูได้บรรลุพึงเห็นเองอากาลิโก ไม่ประกอบด้วยการเวลาเอหิปัสสิโกควรนอ้อมควรเรียกให้มาดูได้โอปณะญิโกควรน้อมเข้ามาในตนและปัจจัตังเวริตะโบวินยูหิอันวินยูคือภูรูเพิ่งรู้เฉพาะตน ธรรมะที่พระคูมีพระภาคเจ้าตรัส ด, ดีแล้วทุกข้อทุกบทย่อมประกอบด้วยพระธรรมคุณครบถ้วนได้แสดงอธิบายมาถึงข้อที่หกธรรมะอันวินยูคือภูรูพึงรู้จำเพาะตนโดยได้ยก สฏิปทานมาแสดงอธิบายโดยลำดับตั้งแต่ในพระธรรมคุณบทตนๆในอันที่จริงนั่นสติปทานนั้นก็ย่อมประกอบด้วยพระธรรมคุณทุกบทฉะนั้นการที่มาจำแนกปฏิปฐาน เข้าในพระธรรมคุณหมดต่างๆกันจึงเป็นเพียงแสดงเป็นสาธก ค, คือยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างเป็นนิทัศนะเพียงในบทใดบทหนึ่งเท่านั้นเพราะจะแสดงอธิบายไปทุกบทพร้อมกันนั้นย่อมเป็นการ จะแจกแจงให้เห็นเฉพาะอัฐ ะ, ะเนื้อความพยัญชนะถ้อยคำแห่งพระธรรมคุณในบทใดบทหนึ่งให้ชัดเจนเป็นการยากฉะนั้น <c oughs> ในทางแสดงอธิบายจึงจะต้องยกขึ้นสาธกในบทใดบทหนึ่ง และแม้ในการแสดงสติปัฏฐานขึ้นสาธกในพระธรรมคุณที่แสดงมาโดยลำดับก็เป็นเช่นเดียวกันฉะนั้นจึงได้แสดงบ่อยๆว่าธรรมะทุกข้อทุกบทที่หลวงพติเจ้าทรงแสดงจะเป็นสติปัฏฐานก็ตามบทอื่นก็ตาม ก็ยอมประกอบด้วยพระธรรมคุณทุกบททั้งนั้นและก็ได้แสดงมาถึงข้อที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสให้ทำสติระลึกกำหนดธรรมะอันเป็นข้อที่สี ได้ทรงแสดงธรรมะฝ่ายอกุศลคือนิวร้าขึ้นเป็นหมวดแรกแล้วทรงแสดงขันธาแล้วทรงแสดงอาจตนะหกและสัญญ์เป็นอันได้ ทรงยกเอาบทธรรมเหล่านี้ขึ้นแสดงโดยที่จิตใจของสามัญชนทั่วไปนั้นย่อมเป็นกามาผจอย่างลงในกามท่องเที่ยวอยู่ในกามจึงมักเป็นจิตที่มีราคะบ้างมีโทสะบ้างมีโมหะบ้าง ซึ่งกิเลสเหล่านี้ก็บังเกิดขึ้นในจิตฉะนั้นในข้อจิตรานุปัสสนาจึงที่ตรัสสอนให้ตังสติกำน ด, ดูจิตว่ามีราคะโทสะโมหะหรือปราศจากราคะโทสะโมหะและเมื่อมาถึง ธรรมานุปัสสนาซึ่งได้ตรัสสอนให้กำหนดดูธรรมะซึ่งมันเกิดขึ้นในจิตคู่กันไปกับกิจาานุปัสสนายังได้ตรัสสอนให้กำหนดรูราคะโทสะโมหะซึ่งมันเกิดขึ้นในจิตโดยที่ตรัด ย, ยกขึ้นเป็นนิวรทั้งห้า จำแน่ออกไปเป็นห้าตามอาการที่ปรากฏอยู่ของจิตสามั ญ, ญชน ท, ทั่วไปนั้นสัจสอนให้กำหนดดูจิตที่ประกอบด้วยนิวรณ์ดังกล่าวมุ่งกำหนดดูตัวนิวรณ์ดังกล่าวและสัจสอนให้รำงับ นิวรณทั้งห้าเหล่านี้ประกอบไปด้วยเพราะว่านินวณ์ลอกทั้งห้าเหล่านี้เองเรเรียกว่าเป็นนิวรณก็เพราะเป็นเครื่องกั้นจิตไว้ไม่ให้ได้สมาธิและทำปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงให้ อ่อนกำลังทำให้ไม่อาจจะรู้แจ้งเห็นจริงได้ฉะนั้นจึงได้ทรงยกขึ้นเป็นหมวดแรกในข้อธรรมะและเมื่อเพ่งรู้นิวรณที่บังเกิดขึ้นในจิตนั้นให้รู้จักว่าเป็นนิวรณสติที่เป็นตัวเพ่งรู้ร้อมกับ ญาณปัญญาซึ่งมันเกิดขึ้นคือรู้จักโรรีบอรู้จักโทษของนีบอแล้วิวบอลเหล่านี้ก็จะดับไปสงบไปเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทำให้รีบอลเกิดขึ้นหรือเหตุที่จะทำให้รีรอลเกิดขึ้นยังอยู่ที่ความขาดสติ และขัดญาณปัญญาเมื่อทำสติและญาณปัญญาให้มันเกิดขึ้นในนิวรณ์ได้นิวรณ์จึงสงบไปได้วิธีที่จะละนิวรณนดั บ, บนิวร์เมื่อเราโดยรวบรัดแล้วก็คือสติและญาณปัญญานี้เองสติก็คือสติปัฏฐาน ปัญญาก็คือปัญญาที่บังเกิดขึ้นติดต่อกันไปและเมื่อนิวรณ์สงบกิตก็ยอมสงบตั้งมัน่นก็ น, น้อมกิตที่สงบตั้งมั่นนี้มาพิจารณาให้รู้จักขันห้าอันย่อเข้าก็เป็นนามรูป หรือกายใจอันนี้ที่เป็นที่มันเกิดขึ้นของนิวรณ์เพราะนิวรณ์ก็อาศัยกายใจอันนี้เองมันเกิดขึ้นและมันเกิดขึ้นที่จิตอันประกอบด้วยกายใจอันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อนิวรณ์สงบกายใจที่ปราศจากนิวรณ์อาศัย กายใจที่บริสุทธิ์ก็ปรากฏขึ้นการตั้งสติกำหนดดูกายนูใจให้รู้จักว่านี่กายนี่ใจหรือว่านี่นามนี่รูปกายกคือรูปใจก็คือนามให้รู้จักว่านี่รูปนี่เวทนานี่สัญญานี่สังขาร น, นี่วิญญาตย่อเข้า รูปก็เป็นรูปเมทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนามหรือรูปก็เป็นกายนามก็เป็นใจโดยย่อลังนี้ให้รู้จักหน้าตาและให้รู้จักประการที่รูปนามหรือนามรูปบังเกิดขึ้นให้รู้จักประการที่นามรูป ดับไปและเมื่อกล่าวลอยยอนั้นนามรูปมันเกิดขึ้นก็สืบเรื่องมาจากวิญญาณวิญญาณเกิดนามรูปก็เกิดวิญญาณดับนามรูปก็ดั บ, ญญญด บ, ดบและวิญญาณนั้นก็รวมอยู่ในนามรปูปซึงนับ ในขันทาเป็นข้อห้าเพราะฉะนั้นความที่จะกำหนดให้รู้จักเกิดหลับของขันท่าหรือนามรูปเมื่อกำหนดให้รู้จัก3ามทพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเมื่อว่าตำระยะปฏิสมบัติก็มีวิญญาณเป็นปัจจัยเมื่อ พิจารณาตามหลักปฏิจจสมุปบาทหลังนี้แล้วจึงต้องพิจารณาต่อไปทั้งว่าอะไรเป็นประการที่ทำให้วิญญาณเกิดให้วิญญาณดับจึงสืบมาถึงอาจตนะตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่า เมื่ออาจตนาภายในประจวบกับอาจตนาภายนอกก็ยังเกิดวิญญาณเพราะฉะนั้นยังได้ตรัสสอนหมวดอาจตนาต่อไปให้รู้จักตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายและ ผลภัสิ่งที่กายถูกต้องมโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องที่ใจคิดเรื่องที่ใจรู้แต่ในสติปัฏฐานนี้ในตอนนี้ยังไม่ได้ตัดถึงวิญญาณตัดถึงสัญญต์ที่เดียว แต่ว่าจะอธิบายเพิ่มเติมว่าอาจันะภายในกับภายนอกเมื่อประจบกันดังกล่าวเมื่อแสดงตามสายของเบนจขันซึ่งเป็นวิบากขันก็เกิดวิญญาณวิญญาณในที่นี้ ไม่ใช่หมายถึงวิญญาณหรือจิตดังที่พูดกันว่าวิญญาณไปเกิดเป็นตน้นแต่หมายถึงเพียงความรู้ที่เรียกว่าเห็นความรู้ที่เรียกว่าได้ยินเป็นตน้นเท่านั้นซึ่งหากว่า อาจจะนะัภายในกับภายนอกไม่มาประจบกันวิญญาณดังกล่าวก็ไม่เกิดเช่นเมื่อตากับรูปเมื่อยังไม่มาประจบกันจะขู่วิญญาณความรู้คือการเห็นทางตาก็ไม่เกิดต่อเมื่อตากับรูปมาประจบกัน จากหูวิญญาณดังกล่าวจึงเกิดและเมื่อเกิดจากสู่วิญญาณก็เกิดเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็เวียนมาวิญญาณอีกดังที่สัตว์แสดงไว้ในขันห้าเพราะฉะนั้นในตอนที่ทรงแสดงข้อว่าหรือหมวดว่า อายตนะทั้งหกนี้ทรงละเอาไว้ถึงกระบวนของขันห้าหรือนามรูปที่บังเกิดติดต่อกันแต่ได้ทรงแสดงโดยตรงไปถึงสังโยชน์คือความที่มีความผูกใจหรือใจผูกอัน เป็นกิเลสคือเครื่องเสมองของจิตที่บังเกิดขึ้นทีเดียวดังที่ตรัสว่าอาศัยตาอาศัยรูปเกิดสัญญ์ดังนี้เป็นการที่ได้ตรัสชี้ให้เห็นถึงกิเลสที่บังเกิดขึ้น โดยที่ขาดสติระลึกกำหนดให้รู้จักว่าย่อมเกิดสัญญอ์ขึ้นคือความผูกใจหรือใจผูกอยู่กับเรื่องรูปที่ตาเห็นนั้นเพราะฉะนั้นจึงได้แสดงว่าสัญญที่บางกล่าวนี้เอง บางเกิดขึ้นนําหน้านิวรและก็เป็นตัวนิวรเองโดยสรุปเข้ามาเพราะฉะนั้นจึงได้มีอธิบายสัญญ์ว่าได้แก่ฉันทะราคะความติดใจด้วยอำนาจของความพอใจหรือว่าความพอใจติดใจอยู่ใน อารมณ์คือเรื่องรูปเป็นต้นที่เด้ประโยบทางตาเป็นต้นก็คือข่าอาจจะหนาหกนั่นแหละและชั้นสราคะซึ่งเป็นอธิบายของสังยชนเป็นประการแรกนี้ก็มาเป็นนิวร์ข้อต้นคือกามาชั้นนั่นแหละ และก็มาเป็นิวรณ์ข้อพยาบาทข้อถีนมิทะความห่วงมุนเครือบเครื่อและข้ออุทธัจักกุจจัความพุ่งสร้างรำคัญใจข้อวิจิกิจชาความเคลื่อแผงสงสัยรุจฉะนั้นสังโยชน์เ ท, นเท่ากับเป็นต้นเดิม นี่จะกล่าวว่าเป็นสรุปของนิวรังห้าก่ได้และก็ตรัสสอนให้กำหนดให้รู้จักความเกิดความดับของสัญญอดตลอดจนถึงว่าสัญญน์ที่ละได้ดับได้ ไม่มันเกิดขึ้นอีกด้วยประการใดก็ให้รู้ประการนั้นเมื่อมาถึงตอนนี้ก็อาจกล่าวสรุปได้โดยสังเขตอีกว่าสัญญาต์มันเกิดขึ้นโดยพราะขาดสติที่กำหนดให้รู้จักกับขาดยานปัญญานั่นแหละ และสัญญอดจะดับได้ก็ในความที่มีสติกำหนดให้รู้จักพร้อมท้งญาณแลงปัญญานั่นแหละแต่ว่าเมื่อมาถึงขั้นสัญญานี้อันนับว่าได้สแสดงถึงกิเลสที่ละเอียดเข้าจะเรียกว่าละเอียดกว่า นิวรณก็ได้แต่ว่า่ว่าก็รวมอยู่ในนิวรณก็ได้แต่นิวรณ น, นั่นเป็นกิเลส ท, ที่ปรากฏชัดแจ้งกัรทากิจให้กระลุ่มรุ่มร้อนวุ่นวาย ทำจิตให้กระสับกระส่ายไม่สงบที่ปรากฏดังเช่นที่ทุกคนรู้จักเมื่อกามชั้นบางเกิดขึ้นก็ทำให้รุมร้อนวุ่นวายด้วยอำนาจของกามเมื่อพยาบาทบางเกิดขึ้นก็ทำให้จิตรุมร้อนวุ่นวายแต่นิวรนนันเป็นกิเลส ท, ที่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 เมื่อพยาบาทมันเกิดขึ้นก็ทําให้กิตรุ่มร้อนวุ่นวายด้วยอำนายของโทสักร์แหละเมื่อทีนันพิธะมันเกิดขึ้นก็ทำกิริยให้ตกต่าง่งงูลเคลอบเคลื่อนไม่มีกําลังที่จะประกอบการงานเมื่ออุทจกักขุจักบันเกิดขึ้นก็ทําใจให้ฟุ้งซ่าน เดือดร้อนลำคาญเมื่อวิกิจ้าวิกิจช้ามันเกิดขึ้นก็ทำใจให้สงสัยเรือบแรลงขาดความแน่นอนใจทั้งทางศรัทธาทั้งทางปัญญาเป็นอาการที่ปรากฏอยู่แก่จิตใจแต่ทั้งหมดนี้ก็มีสังโยชน์นี่แหละ เป็นต้นเดิมอยู่เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าสัญญชนี้ละเอียดกว่าซึ่งจับได้ยากกว่านิวณ์นั้นกำหนดได้ง่ายหรือจับได้ง่ายรู้ได้ง่ายแต่มันึงสัญญชน์คือความผูกใจหรือใยผูกนี้ กำหนดให้รู้จักได้ยากกว่าละเอียดกว่าเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนต่อไปในข้อโพดคงทั้งเจ็ดคือองค์ของความรู้ทั้งเจ็ดประกาศซึ่งหนักไปในทางญาณปัญญาญาณคือความอย่างรู้ปัญญาคือความรู้ทั่วถึง ซึ่งหมายถึงเป็นปัญญาด้วยกันเพราะว่าจะต้องใช้ปัญญาในทางที่จะกำหนดพิจารณาให้รู้จักแต่ว่าก็ต้องตั้งตนดูสติเช่นเดียวกันขาดสติไม่ได้รสตินั่นคือความ ระลึกกำหนดเท่ากับเป็นภูเสนอเรื่องเหล่านี้แก่จิตเพื่อกำหนดพิจารณาให้รู้จักซึ่งเป็นตัวปัญญาถ้าหากว่าสติไม่เสนอหรือว่าเสนอบอกพร่องปัญญาก็ไม่เกิด ือเกิดขึ้นก็เกิดอย่างบกพรองเพราะปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ก็โดยที่สตินี่เองเป็นผู้เสนอเหมือนอย่างบุคคลซึ่งเป็นผู้ทำงานหรือเป็นคนร่างงานซึ่งมีเลขานุกการเป็นผู้เสนอเรื่องถ้าหากว่า เลขาหนการไม่เสนอเรื่องผู้ที่บัญชางานก็ไม่มีเรื่องจะบัญชาหรือว่าหากผู้เสนอเรื่องเสนอผิดเสนอคือเสนอเรื่องราวข้อมูลต่างๆผิดผู้บงังคับบัญชาก็จะต้องสั่งไปผิดผิด ต่อเมื่อสติเสนอถูกจึงจะบังคับบัญชาไปถูกต้องได้เพราะฉะนั้นสติจึงมีหน้าที่สำคัญคือเป็นผู้ส่วนในเรื่องกระจิตเพื่อพิจารณาและสตินี่เองและสตินี่เองย่อมเป็นสิ่งที่ทำให้ เกิดรู้ผิดหรือรู้ถูกกาเสนอผิดก็ทำให้รู้ผิดเสนอถูกก็รู้ถูกสติที่เสนอผิดนั้นเป็นมิจฉาสติสติที่ผิดสติที่เสนอถูกนั้นเป็นสัมมาสติสติที่ชอบและปัญญาที่รู้ผิดนั้นเป็นมิจฉาปัญญา เป็นมิจฉาทิฏฐิปัญญาที่รู้ถูกนั้นเป็นสัมมาปัญญาสัมมาทิฐิทะนั้นส ต, ติกับปัญญาจึงเรื่องกันเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงโมดโพชงเจ็ดจึงได้ตรัดแสดงส ต, ติเป็นข้อแรกคือสติสำโพชง องแห่งความรู้พร้อมคือสติข้อสองทำมวิญยาสัมโพชฌงองค์แห่งความรู้พร้อมคือธรรมวิจัยความเลือกเฟ้นธรรมข้อสวิริยะสัมโพชฌงองคแห่งความรู้พร้อมคือความเพียรข้อสี่ ปิติสัมโพชงองค์แห่งความรู้พร้อมคือปีติข้อหปัสสัตติสัมโพชงองค์แห่งความรู้พร้อมคือปัตสัตติความสงบกายสงบใจข้อ6สมาธิสัมโพชงองค์แห่งความรู้พร้อมคือสมาธิและข้อเจ อุเบกขาสัมโพชฌงองค์แห่งความรู้พร้อมคืออุเบกขาความเข้าไปเพ่งสงบอยู่ในภายในเพราะฉะนั้นหมวดสัมโพชฌงนี้นจึงจึงเป็นธรรมะจึงเป็นหมวดธรรมะอันสำคัญซึ่งจะได้แสดงต่อไปต่อจากนี้ก็ขอให้ ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำควารสบสืบต่อไป